ก็ดีสี่กว่าดีห้าเนีเน่ยสักพักก็คงแสงสว่างก็ค่อยๆ เ, เคลื่อนมาเนาะวันนี้ก็เป็นเช้าของวันวิสาขาบูชาเนาะเมื่อวานอาตมาอาจจะพูดผิดไปอาจจะขอโทษไปว่ามันที่จริงพระพุทธเจ้าท่านอาจจะนั่ง อธิษฐานจิตตอนในเย็นวันนี้มากกว่านะไม่ใช่ว่าเมื่อวานที่เป็นวันโกนะก่อนวันวิสาขกิจกรรมต่างๆที่ท่านทำนะในวันตรัสรู้็คงเริ่มจากเช้าวันนี้แหละจนทั้งถึงตอนเย็นถึงตอนค่ำเพราะว่าในทางจันทรคติ ก็คือการถือถือการนับวันตามตามดวงจันทนระ์เนี่ยเขาก็ถือว่าถ้ายังพระอาทิตย์ยัไม่ขึ้นก็คือยังไม่ใช่เช้าวันใหม่นะก็นับตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนทั้งถึงพระอาทิตย์ขึ้นอีกวันหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งวันหนึ่งคืนจะต่างจากการที่ เดานับวันแบบปัจจุบันเนาะถือเที่ยงคืนเปลี่ยนเป็นวันใหม่นะสุดท้ายก็อีกเที่ยงคืนของวันหนึ่งแต่แบบจันทรคติถือตอนพระอาทิตย์ขึ้นมองเห็นแสงสว่างนะถือว่าเป็นเริ่มต้นวันใหม่จนทั้งถึงวันลุงขึ้นอีกวันหนึ่งนะนั่นก็อาจจะเป็นความความคาดเคลื่อนในการความจำของตัเองได้นะที่ ไปดัดึกยางไงก็ไม่รู้ว่าเออพระพุทธเจ้าท่านคงนั่งพรมเพลยนในคืนเมื่อวานนะแต่จริงคงเป็ น, นตั้งแต่วันวิสาขาเนี่แหละเป็นต้นไปเนาะแต่จริงว่าอย่างที่พวกเราทราบนะว <c oughs> ันวิสาขาบูชาก็ไม่ใช่เพียนแค่วันที่พระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ท่านั้นเนาะแต่ก็ยังเป็นวันที่พระพุทธองค์ท่านประสูต ตัสรู้แล้วก็ปรินิพานถือว่าเป็นวันสำคัญสามประการด้วยการประสูติของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากนะหรือว่านานมากในช่วงที่ ม, มีพระพุทธเจ้าแต่และพระองค์เนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นช่วง ช่วงที่หาได้ยากเนะเพราะว่าช่วงที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกเนี่ยมันนานมากนะในภาษาพุทธศาสนาเขาเรียกว่าหนึ่งพุทธันดอนนะก็คือเป็นช่วงของพระพุทธเจ้าที่ น, น, น, น่นานไหลด้นานดนปีนะถึงจะมามีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง มีช่วงอีกนานมากที่ว่างเว้นจากการมีพระพุทธเจ้าเมื่อการว่างเว้นจากการมีพระพุทธเจ้านะแต่ก็อาจจะมีแค่ช่วงสั้นๆที่มีสาวกที่สืบทอดศา ส, ส, ส, สนาต่อนะธรรมะก็คงได้รับการเผยแพร่ต่อแต่นานๆานไปก็ก็เลือนรางไปจนทั้งจบยุคของ พุทธศานาในแต่ละพระองค์ซึ่งอาจจะมีความสั้นความยาวแตกต่างกันอย่างในพระพุทธเจ้าอ่าสักยมุนีที่เรานะที่เราได้เกิดร่วมทันพระพุทธองค์เนี่ย่เขาก็ว่าอายุไข 5,000 ปีนะตอนนี้ก็ 2,500 กว่าปีแล้วนะก็ จะจริงเท็จยังไรเราก็ไม่รู้นะแต่พแต่พระพุทธเจ้าก็พูดเป็นอีกนัยยะหนึ่งว่าถ้าตาบใดก็ยังมีผู้ที่เจริญในอริยมรรคมีองค์แปดอยู่นะตาบนั้นโรคก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ก็ท่านก็ไม่ได้บอกเป็นระยะเวลาที่ที่แน่นอนแต่ท่านก็พูดเป็นเงื่อนไขที่ที่ไม่สามารถ เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครสามารถถกเถียงได้ก็คือว่าถ้ายังมีคนเจริญอริยมรรคมีองค์แปดอยู่โลกก็ย่อมไม่ว่างจากพระอรหันต์ดังนั้นหลักสำคัญจริ ง, รงๆก็คือถ้ายังมีการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดนะเราก็สามารถที่จะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าได้นอันนี้คือสิ่งที่ที่สำคัญมากนะมรรคมีองค์แปดเนี่ยเป็นทาง ทางสายกลางนะหรือว่าทางที่ทำให้พ้นจากความทุกข์แต่ทางที่สรพรพสัตว์ทั้งหลายพาดคืออะไรก็คือทางสุดตรงสองทางทางสุดตรงาทางแรกที่สรพรพสัตว์ทั้งหลายนะาพากันติดก็คือการติดในกามนะ หรือว่าความพอใจในความสุขความสบายนะพอใจในสิ่งที่ถนองนะความต้องการนะทำตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะั่นแหละอันนี้เรียกว่ากา ร, การติดในกามติดในที่นี้ก็คือพอใจนะพอใจแล้วกนะ็แล้วก็เมื่อเกิดความพอใจมันก็เกิดความความอยาก ขึ้นมาเนะเมื่อเกิดความอยากขึ้นมามันก็เกิดการเสพเสพนี่ก็คือเหมือนการกระทําเพื่อสนองความอยากนะเหมือนเราอยากกินอาหารเนาะเราอยากกินนะเราก็เลยกินพอกินแล้วมันก็เลยชอบก็เลยติดอีกพอติดแล้วก็เลยต้องเที่ยวสแสวงหาการกินอิ่ดนะคือเรียกว่าตันหา นะแล้วก็อุปท า, านแล้วก็กีรตหรือว่ากรรมเนี่ยมันก็บนกันไปเรื่อยๆนะนะมันไม่มีที่สิ้นสุดนะมันเป็นมันเป็นพบมันเป็นกรรมเป็นชาติทีม่มันแสดงอาการหมุนเวียนสัตว์โลกก็เป็นเช่นนั้นนะเมื่อติดนห่วงของตันหาอุปท า, านนะนะมันก็บนเวียนไม่รู้จัก ทางออกนะหลายคนคิดว่าเสพไปก่อนเถอะเดี๋ยวมันก็จะเลิกเดี๋ยวมันก็จะเบื่อไปเองแต่จริงมันก็ถูกในยะหนึ่งนะเหมือนเราชอบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราหมกมุ่นอยู่กับมันนะเช่นชอบกินอันนี้ก็กินจนะทั่งมันเบื่อนะเบื่อแล้วก็มันก็ไม่อยากกินอันนั้นอีกในหลายอย่างก็เป็นเช่นนั้น แต่มันก็เป็นเพียงแค่มันไม่ได้เปลี่ยนที่จิตใจนะมันเปลี่ยนแค่วัตถุที่เราเสพเฉยดังนั้นมันมันก็ได้เกิดความเรียกว่าไม่อิ่มสัทีนะมันไม่เคยเกิดการอิ่มสัทีมันเพียงแค่เปลี่ยนวัตถุในการเสพนะเหมือนเราชอบอะไรสักอย่างถ้าเราชอบมันมากๆากหมกมุ่นกับมันมากๆสักพักมันก็เบื่อออกไป แต่มันก็ไม่ได้คลายกำหนัดเพราะว่ามันจะกลายเป็นจะดิษนิใสยที่มันเคยชินในการเสพเมื่อได้เสพสิ่งนี้นะต่อไปมันก็เสพสิ่งอื่นต่อไปได้ง่ายอย่างเหมือนกันมันก็แค่เปลี่ยนวัตถุที่ที่ชอบเท่านั้นสังเกตดูคนในโลกนี้ก็ได้นะนะเวลาคนส่วนใหญ่เขาชอบอะไรนะเขาก็หมกมุ่นเรื่องนั้น แล้วก็อาจจะมีกระแสใหม่หรือตัวเองก็ไปชอบสิ่งใหม่ก็หมกมุ่นไปชอบอีกเรื่องอื่นต่อไปเรื่อยๆนะเจนทั้งก็แก่เท่าตายไปเนาะก็ก็เป็นเช่นนั้นเกิดในพบใหม่ก็ต้องเวียนกลับมาเสพอีก <c oughs> แต่ความน่ากลัวของของทางคือตรงตรงนี้คือคือมันยิ่งทำให้เราเหนียวแน่นในการ ในการที่เรายึดติดในอุปทานนะในความพอใจตนีน้มันยิ่งเหนียวแน่นไปเรื่อยๆนะมันไม่ใช่เป็นการฝึกเพื่อที่จะจางคลายหรือว่าเพื่อสละนะนั้นทางตรงตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ที่น่ากลัวมากนะกุิชนก็เลยหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้นก็เลยเบียนไวดายเกิดกันไม่รู้กี่พบกี่ชาตินะ เหมือนกับกาวที่มันเหนียวขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ก่อนนะยังเศษไม่มากก็อาจจะเหมือนกาวลาเทคนะก็อาจจะยังไม่เหนียวมากแต่ยิ่งเศษไปเรื่อยนะมันยิ่งเหมือนเป็นกาวตาช้างนะแกะยากนะดดยากเราสังเกตัหยจิตใจจิตใจบางทีอะไรที่เราทำจนเคยชินบ่อยๆนั่นแหละมันก็ เผยนิดเดียวเนี่ยมันก็หลุดอีกแะ้วหลุดในดองที่เราเคยชินนเหมือนอย่างถ้าภาษาพันธุ์ก็เรียกว่าบางคนโทสะเจดิตนะเป็นเจดิตที่โกรธง่ายนบางคนเป็นโมหะเจดิตบางคนเป็นราคะเจดิตบางคนเป็นวิตกเจดิตเจดิตแต่ต่างๆก็อาจจะแตกต่างกันไปนะ แต่โดยโรวมๆก็คือว่าเราทำกรรมเช่นนั้นบ่อยๆนะเมื่อมันเกิดอารมณ์อารมณ์ในที่นี้คือเหตุปัจจัยที่มากระตุ้นนะเหตุกระตุ้นให้เกิดให้แสดงอารมณ์อาการต่างๆที่มันเป็นความเคยชินมันก็ออ ก, ออกมาง่ายนะคนโกรธง่ายมีอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไม่พอใจละก็โกรธละ บางคนเป็นคนหลงง่ายนะชอบนั่นชอบนี่นะมีอะไรมายุ่วยวนนิดนึงก็ก็ชอบละก็เพลินกับเขาละหรือบางคนเป็นคนวิตกจะดิตง่ายนะเปลี่ยนที่นะเอี๋ยเจอคนแปลกหน้าก็วิตกกงังวลนะมันก็เป็นจะดิตที่ใส่ที่ที่เราสะสมมาเองนั่นแหละนะ ยิ่งสะสมอะไรมากมันก็ยิ่งติดแน่นมากก็ยิ่งเหนียวแน่นมากอันนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นจริตนะกลายเป็นมันไม่ใช่เพียงแค่จริตแต่มันเป็นนอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในในลักษณะพวกนั้นด้วยน ะ, นะถ้าเรารู้ถ้าเรารู้ตัวนะนะการมีสติการฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะทําให้เรา เรารับอุปทานพวกนั้นได้แน่นอนมันอาจจะยังเป็นจดิตนิสัยที่เป็นความเคยชินอยู่แต่การพอเรามีสติเนี่ยมันจะค่อยๆถอนความเคยชินนั้นความเคยชินที่เคยโกรธ ง, ง่ายนะเหมือนประต า, าเหมือนสำนวนภาษาใหม่ก็เหมือนแผ่นเสียงตกร่องแบบนี้เนาะที่จริงมันไม่ใช่ของใหม่เท่าไหรนะ่เนาะแผ่นเสียงนี่มันนานแล้วนะก็ <c oughs> เหมือนคล้ายๆมันก็ไปตกเข้าร่องเดิมบ่อยๆนะแต่จริงถ้าเราเคยชินที่มันรู้ทันมันเนี่ยมันเหมือนตกร่องก็พักหนึ่งนะมันก็ถอนตัวออกมาจากร่องที่เคยไปตกนะก็คือจดิตนิสัยที่เราเคยเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังคงย่อมเป็นอยูนะ่แต่เพียงแต่ว่าการเราที่เราฝึกสติเนะี่ยคือทําให้เรารู้ตัว ตัวเองได้เร็วขึ้นนะที่เคยชอบที่เคยเสพที่เคยนะเป็นอุปทานยึดติดในเรื่องอะไรเนะี่ยมันก็ยังมีนะแต่ครานี้แต่ก่อนมันมีแล้วเราถล่มไปกับมันตลอดแต่ถ้าเราฝึกตนนะฝึกใจเนะี่ยพอมันตกไปพอมันถล่มไปนะเราก็ถอนตัวออกมาได้เร็วขึ้ น, นอันนี้เราก็ต้อง ถ้าเราเห็นเห็นโทษนะของมันนะมันจะทำให้เราถอนออกมาได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่เห็นโทษของมันเนี่ยมันมันไม่อยากถอนเนาะแม้ไม่มีใครมาเตือนมาบอกมันก็ไม่อยากถอนไอตัวที่ทำให้เราไม่เห็นโทษของมันส่วนใหญ่ในพวกเราหรือคนยุคใหม่ๆเนี่ยตัวที่อันตรายที่สุดคือตัวตัว เหตุผลนะตัวความคิดนะ ม, มันจะเป็นเหตุผลที่จริงมันจะเป็นเหตุผลเข้าข้างเนะข้าข้างตัวเองเนะข้าข้างตัวเองในที่นี้หมายถึงเข้าข้างกิเลสในสิ่งที่เราชอบนะเหมือนคนเหมือนมีใครมาตาหนนะิมาว่านะมานินทาอะไรก็แล้วแต่เรานาะ มันก็จะมีเหตุผลทันทีว่าเราสมควรต้องตอบโต้เข้าไปอย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็เป็นเหตุผลนะแต่เป็นเหตุผลที่เกิดจากความคิดที่เกิดจากจิตที่ไม่ชอบเขามันก็เลยปรุงแต่งเป็นเหตุผลที่จะต้องไปไปทาไปว่ากล่าวหรือไปทำร้ายเขานะเพื่อได้สนองนะสนองอะไร สนองความโกรธความไม่พอใจในใจนั่นแหละนั้นไม่แต่ความอยากสังเกตไหมเวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยเช่นสมมติโอ้เดี๋ยว i p h o n ห 6s มาละเรามี i p h o n ห้าอมันก็รู้สึกว่ามันเก่าไปละเนี่มันตกยุคไปแล้วเป็นเหตุผลที่สมควรนะที่เราจะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ <c oughs> หรือเสื้อผ้า เราไปเดินที่จริงอยู่ในบ้านเราก็มีไม่รู้กี่ชุดนะใส่ปีนึงนี่คงอาจบางคนอาจจะไม่ซ้ำก็ได้นะอนืบางคนอาจจะซ้ำก็น้อยนะสองสามรอบนะแต่พอเราเห็นสิ่งกระตุ้นที่เราชอบนะจะเป็นเสื้อจะเป็นผ้าถุงจะเป็นกระเป๋าจะเป็นรองเท้าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ละคนนะเนาะพอมันเห็นเรารู้ทันความอยากในใจเราไหม ถ้าเรารู้ทันความอยากในใจเราเนะีะเอ๋มันก็จะยับยัง้งนะช่างใจมันได้ทันแต่ถ้าเราไม่รู้ทันความอยากนะมันก็จะมีเหตุผลสารพัดนะมาล่อให้เราซื้อนะจะด้วยความสวยจะด้วยความแปลกหรือบางทีก็เหตุผลดีนะช่วยชาวบ้านเขาช่วยพ่อค้าแม่ค้าเขาอนนะ้นมีหลายอย่างมากที่ มันจะเป็นความคิดเป็นเหตุผลที่ที่สนับสนุนนะให้เราสนองความความพอใจนั้นๆนัสนะังเกตดูไม่แต่ความพอใจก็ดีความไม่พอใจก็ดีนะอันนี้ต้องไแต่ง ง, ง่ายๆคือความโกรธกับความอยากนะมันก็ถ้าเราไม่รู้ทันเนะี่ยความคิดมันก็จะปรุงแต่งเป็นเหตุผลให้เรา สนับสนุนให้เราเข้าข้างมันนะเพื่อเราจะได้ทำมันอย่างอย่างรู้สึกว่าเป็นความชอบทำเป็นความถูกต้องแล้วที่ทำมันเพราะมันมีเหตุผลมันสมเหตุสมผลนะแต่ถ้าเราไม่ตะหนักมันจริงๆนะเราก็จะตกร่องความคิดตกร่องเหตุผลเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าฮะเราก็ต้องแต่ถ้าเราไม่รู้ทันนะมันก็ จะเป็นแบบนี้นซ้าไปเรื่อยๆนั้นะเราต้องเห็นก่อนนะเห็นโทษของมันนะเห็นโทษของการที่เราทำตามความคิดทำตามเหตุผลที่ที่มีกิเลสนะเป็นเบื้องรังเนะี่ยมันทำให้ ม, มันทาให้เราเกิดโทษอย่างไรแต่มันก็เป็นสิ่งที่มองยากนะถ้าเรามองเรื่องโทษท้งโลกเนะี่ย บางทีโทษทางโลกมันก็ไม่ได้หนักหนาตาหัสมากนะอย่างหลายคนมีทรัพย์การใช้ทรัพย์ในการซื้อของมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทําให้เรายากจนลงไปสักเท่าไหร่เราก็ยังพอมีพอกินอยู่หรือบางทีการแสดงออกทางโลกอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ชุนเฉียวอารมณ์ดุร้ายบางทีหลายคนก็สนับส น, นุนในซ้ำถ้านะ คนนี้ก็มีเป็นคนที่หลายคนก็ไม่ชอบใจนะถ้ามีใครแสดงอารมณ์ออกไปกับเขาเนี่ยหลายคนก็เชียร์ได้ามเออดีที่จริงแต่อีกก็คิดเหมือนกันแหละแต่ไม่กล้าทำพอคนอื่นทำนําหน้าเนี่ยก็เชียร์หนุนดังไปกม็มีมันทางโลกบางทีก็ก็ก <c oughs> มันดูไม่ชัดเจนนะเพราะว่ามันก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยทั้งคนไม่เห็นด้วย คนที่ได้ประโยชน์คนที่ไม่ได้ประโยชน์มันก็มีแบบนั้นแต่สิ่งที่จะทำให้เราเห็นจริงๆคือเรากลับมาเห็นใจเรามันจะเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนกว่าเช่นความโกรธความไม่พอใจแม้มันจะมีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่เราลองกลับมาดูใจของเรา ใจมันเป็นแบบไหนตอนที่จิตมันเป็นแบบนั้นมันมีความทุกข์ใช่ไหมนะมันเป็นความทุกข์ที่มันมันแฝงอยู่ในความไม่ชอบอยู่ตรงนั้นแม้แต่ความอยากก็เหมือนกันนะถ้าเราดูจริงๆนะตอนที่มันอยากแล้วมันยังไม่สนองเนี่ยมันทุกข์นะมันทุกข์เราอยากได้แล้วมันยังไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันทุกข์มาก กิเลสเนี่ยมันมันก็มาคล้ายๆมาสนองความพอใจนิดหน่อยคือถ้าเราได้ในสิ่งที่ต้องการเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นความสุขนะแต่เป็นความสุขที่เรียกว่าจอมปลอมมันเป็นความสุขเหมือนมันทุกเนะ่ยเช่นอยากอยากอะไรมากๆพอได้มาแล้วเราดยรู้สึกดีใจนะให้ความดีใจเนี่ยนะ ทางโลกเขาเลยเรียกว่าเป็นความสุขคนก็เลยติดอาการดีใจพอใจชอบใจในสิ่งที่ได้ตรงนั้นแหละสะใจบ้างเลยนะแต่ถ้าคนที่มีปัญญานะจะมองเห็นว่าอารมณ์พวกนั้นนะมันก็เป็นทุกข์ในรูปหนึ่งเพราะว่ามันไม่สทุกข์คือว่ามันไม่สามารถที่จะคงทนนะถาวรได้จริงๆหรอก แล้วมันก็จะเห็นโทษว่ายิ่งติดความพอใจความสุขใจแบบสนองกิเลสตัณหามา ก, กเท่าไหร่มันยิ่งทําให้เราหาความสุขได้ได้ยากขึ้นเพราะว่าเราเคยสนองมันระดับหนึ่งละมันคล้ายๆเหมือนเหมือนคนติดยาเสพติดะนะเหมือนมันก็ต้องเริ่มเริ่มจากเล็กๆน้อยๆไปแต่มันมันก็กลายเป็นความสุขของคนที่ติดยา คนพิเศษนะที่จริงถ้าเราอาจจะเปรียบเทียบเหมือนเราติดอะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่นะก็คล้ายๆกันแหะเหมือนคนติดยามันแรกๆมันสนองนิดหน่อยมันก็พอใจแต่ต่อไปสนองในปริมาณเท่าเดิมมันก็ไม่ค่อยพอใจละมันว่าต้องมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆมันถึงกลายเป็นความสุขอันนั้นแหละนะความสุขที่ได้จากการสนองนะ ความชอบเนะี่ยความพอใจเนะี่ยมันก็เป็นเช่นนั้นนะมันต้องหาสิ่งกระตุ้นเล้าใหม่ๆหม่แปลกๆเนะ่เข้ามาสนองขึ้นเรื่อยๆเนะี่ยมันถึงจะเกิดเป็นความสุขนะอันเนี้ยมันมันเป็นโทษอย่างนั้นแหละนะมันเป็นโทษเพราะว่ามันต้องหาหาเครื่องมามาลนะ่อแต่การที่ เราไม่ติดมันหรือรู้ทันมันแล้วก็ละมันได้เนี่ยมันทำให้เรายึด ต, ติดมันน้อยลงแล้วเราจะมีความสุขง่ายขึ้ น, เ, นเราจะมีความพอใจนในชีวิตในจิตใจตัวเองเนี่ยง่ายขึ้นเพราะอะไรพอจิตมันเบาพอจิตมันสบายเนี่ยมันเออมันก็จะรู้สึกว่าเหมือน ยอมรับอะไรก็ได้นะอะไรจะเกิดขึ้นมา ม, มันก็ง่ายๆนะอะไรก็ได้มันไม่มันไม่ต้องเรียกร้องว่าต้องมีนั่นมีนี่ถึงจะมีความสุขแต่มันจะเป็นความสุขที่เกิดจากการพอใจในในสิ่งที่เรามีอยู่หรือว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ในครในปัจจุบันนะันแะมันก็สามารถที่จะพอใจได้นะพอใจในที่นี้มาถึงว่ามัน มันรู้จักพอนะมันรู้จักยอมรับความจริงนะนะ่ะพอใจรู้จักพอพอใจรู้จักยอมรับความจริงนะมันเป็นความสุขใจที่ที่เรียกว่ามันปราศจากโทษนะมันไม่ใช่เป็นความนะสุขใจแบบแบบดีใจนะแบบสนองกิเลสเนะี่ยเราต้องเห็นเห็นโทษของมันนะอบางอย่าง โทษทางโลกมันไม่ชัดเราก็ต้องมาดูโทษทางทางใจนี่แหละนะคือมันมีความทุกข์นะไม่ว่าจะเป็นความโกรธไม่ว่าจะเป็นความอยากเนี่ยมันแสงความทุกข์ที่ที่มันบีบคั้นจิตใจนะแต่ถ้าเป็นโมหะที่มันค่อนข้างละเอียดเนี่ยมันก็มันก็ละเอียดขึ้นนะมันก็ต้องดูดีๆบางทีมันก็เจือได้โทษเหมือนกัน โทษในการสร้างภพนะสร้างชาติไม่ว่าจะเป็นแบบความสุขที่ฟานีดอนะไร ต, ต่างๆมันก็ยังสร้างภพสร้างชาติต่อไปในจะิตใจเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่ามันมันติดในทางนะความสุขนะความสบายนะเป็นการมมรรซึ่งเป็นทางสุดโตง่งทางหนึ่ง ทางคือโตองทางหนึ่งคืออะไรคือการบังคับคือการทรมานคือการทำกายทำใจให้ทุกขนะ์อันนั้นก็อาจจะเป็นคนส่วนน้อยนะที่พยายามที่จะหาทางพ้นจากความทุกข์โดยการคิดว่าหนามยอกต้องเอาหนามบ่มนะอยากจะพ้นทุกข์ต้องทำตัวเองให้ทุกขนะ์มาถึงจะพ้นจากความทุกขนะ์พระพุทธเจ้าก็ ทําตรงนี้มารวมหปีเนาะนี่ตั้งแต่ออกจากประศาสรราชาวังไปทําสมาธินี่หลังจากออกจากทําสมาธิก็เนี่ยแหละบำเพ็ญทุกขกิริยาหรือฤๅษีชีไฟก็ก็ทําเช่นนั้นแต่จริงก็อาจจะไม่ใช่ว่าคนที่ต้องออกบวชหรือว่าหนีไปอยู่ป่าเท่านั้นนะที่เขาบำเพ็ญทุกข แต่จริงบางทีนักปฏิบัติธรรมอะ่ะหลายคนก็ก็ทำเช่นนั้นก็คือพยายามบังคับกายบังคับใจนะคิดว่าบังคับหรือว่าทิ่ว่ากำหนดเยอะๆคิดว่านะทำให้มันสุดๆนะมันจะไปทางพ้นจากความทุกข์แต่จริงมันยิ่งทำให้เกิดความทุกข์นะ ทำให้เกิดความเครียดนะการพ้นจากความทุกข์ไม่ใช่ว่าเราต้องทำตัวเองให้ทุกข์นะแต่การพ้นจากความทุกข์คือการเรียนรู้ทุกขนะ์อย่างที่พูดไปเมื่อวานะคือทุกข์เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะไม่ใช่การทนนะนั้นทางที่สุดต่องอีงท่านหนึ่งคือการบังคับคือการกดข่มคือการทำกายทำใจให้ทุกข์เนี่ย ไม่ใช่ทางในการที่จะออกจากความทุกข์เนาะนั้นเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมให้เรารู้ทันมันเวลามันเคร่งเครียดเนี่ยถ้ามันเคร่งเครียดทางร่างกายนี้ก็แสดงว่าจิตใจเราก็เคร่งเครียดน ะ, นะการที่รู้กายเนี่ยส่วนหนึ่งก็พอเรารู้ทันว่าเช่นหน้าตามันมันไม่ผ่อนคลายละ เหมือนใดคนเคยออกโยคนะเนาะเคยเล่นโยคะเวลานะครูโยคะก็จะสอนให้เราสำรวจดูดูอริยาบทดูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายดูว่ามันมันตึงมันเครียดหรือเปล่านะให้ผ่อนคลายนะหรืออย่างเราเคยท่าอัศนะเช่นท่าศพแบบนีน้ให้ผ่อนคลายตั้งแต่หัวจรดเท้านะ ทุกส่วนเพราะอะไรเพราะบางทีเราทำไ ป, ไปบ่อยๆเราก็ลืมตัวว่าบางทีก็เผลอไปเคร่งเครียดนะมันก็ออกมาทางสีหน้าแววตาหรือว่าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งนะพอเรารู้ตัวนะเวลาเราปฏิบัติทำก็เหมือนกันเราก็สำรวจดูตัวเองแบบนั้นเหมือนกันบางทีมันอาจจะเผลอเผลอไปจริงจังเคร่งเครียดส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินไปนะ ไม่ว่าจะเป็นใบหน้าหรือว่าอาจจะเป็นแผ่นหลังบางทีก็ยืดจนเกินไปนะมันก็ปวดเมื่อยได้อันนี้หรือเราเดินบางทีถ้าเราเดินไม่ค่อยเป็นธรรมชาติมากมันก็จะปวดนะบางทีเราก็เดินขาแข็งไปนะเดินไปสักาพักมันก็ปวดขาน ะ, นะพวกพระเจ้าไม่ไม่ได้ระบุนะ ท่าทางแบบชัดเจนนะอาจจะไม่เหมือนโยคะไม่เหมือนไทเก๊กนาะที่มันมีกระบวนรท่าที่มันมันชัดเจนนะท่านั้นท่านี้แต่จริงผู้เจ้าท่านแค่สอนว่าเดินก็แค่รู้ว่ากลังเดินนั่งก็รู้ว่ากลังนั่งนอนก็รู้ว่ากลังนอนยืนก็รู้ว่ากาลังยืน หรือว่าคู่เหยียดเคลื่อนไหวทําสิ่งต่างๆก็คือให้มีสติให้เกิดความรู้ตัวนะมันอาจจะไม่ได้ระบุในรายละเอียดว่าถ้าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่สิ่งสาคัญคือเราจะเคลื่อนไหวโดวยอิรดียบดใดก็แล้วแต่นะอาศัยความรู้สึกตัวอาศัยการมีสตินะเข้าไปสํารวจดูความเป็นไปของกายแล้วก็ของใจ ถ้าเราเห็นนี่ยเราจะรู้สึกได้แล้วก็เราก็จะผ่อนคลายปรับเปลี่ยนนะสิ่งที่มันเป็นความตึงเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นความทุกข์นะมันทุกข์ทั้งกายและแล้วก็ทุกข์ทั้งใจด้วยเนาะให้เราผ่อนคลายออกไปอันนี้แหละคือทางฝึกตรงอีกทางหนึ่งที่เราไม่ควรไปคล้องแวะหรือว่าไม่ควรติดนะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆนะ คนที่จะเดินทางสายกลางได้ตลอดจริงๆก็ถ้ายังไม่ถึงขั้นเป็นพระอริยะบุคคลหรืออริ ย, ยสมก็ยังคงต้องค่องแวะในทางสุตโงทั้งสองทางอยู่บ่อยๆนั่นแหละนะมันยังเดินได้ไม่ตรงเสียทีเดียวหรอกนะแต่สิ่งที่สำคัญคือให้เรารู้จับทางที่มันเป็นตัวติดนะ ในความสุขก็ดีในความทุกข์ก็ดีเนะี่ยมันเป็นตัวติดทางสายการเนี่ยทาให้เราทำให้เราติดมันน้อยลงหรือว่าติดมันสั้นลงหรือว่าถดําบลึกลงไปกับมันนะน้อยลงไปนะก็คือตื้นนะถดําลงไปนิดๆหน่อยๆพอเรารู้ทันมันก็กลับมาได้นะดังนั้นกิเลสมันก็ยังมีอยู่นะ แต่มันมีเพื่อเป็นการเตือนนะให้เรารู้ทันตัวเองนั้นเวลาที่โกรธเนี่ยเป็นเป็นการเตือนให้เรารู้ว่าเออหลงไปแล้วเนาะมันก็ไม่ใช่ความผิดนะมันเป็นการเตือนนะเออว่าเราหลงไปแล้วเนาะพอเรารู้ตัวเนี่ยเออเราก็จะ อ, อ่าก็ได้สติขึ้นมามันก็เป็นความมันเป็นทางสายกลางที่เราก็เดิน โดยชอบทําแล้วนะหรือเวลามีความอยากนะไม่ว่าจะเห็นอาหารเห็นเสื้อผ้าเห็นอะไรขึ้นมานะมันก็เป็นการเตือนให้เราเห็นว่าเออกิเลสมันทํางานอยู่แล้วเนาะเออมันก็ดูดูกิเลสมันทํางานนะแล้วก็ไม่ต้องไปสนองมันนะนอกจากสิ่งที่มันเป็นความจําเป็นอันนันก็มันไม่ใช่ความอยากมันเป็นสิ่งที่จําเป็นเนาะนะ แต่ถ้ามันเป็นความอยากเนี่ยมันคือกิเลสมันไม่ใช่ความจำเป็นไม่ใช่ว่าขาดไม่ได้นะไม่มีไม่ได้นะแต่จริงเนี่ยพอเราเห็นน่ะมันก็คือมันก็คือสะท้อนความรู้สึกข้างในจิตใจของเรานี่เองออเออมันความอยากแสดงอาการอีกแล้วเนาะน่ะเราก็เห็นมันน่ะก็หัวเราะมันน่ะก็แกล้งมันบ้างนะอย่าไปสนองมันบ่อเราต้องรู้จักแกล้งมันบ้างนะ แกงแบบดัดนี่ใส ม, มันอมันยากเหรอืมไม่ซื้อให้มันได้ไหมเนี่ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าตายหรือเปล่าเออพอผ่านไปแล้วก็ไม่เห็นตายนี่มันก็รู้สึกเออมันก็รู้สึกเออเราชนะได้แล้วเนาะเนี่ยเกิดอาการนเนยรียกว่าชนะใจตัวเองได้แล้วเนะี่ยมันพอเราชนะใจตัวเองได้ครั้งสองครั้งต่อไปมันก็จะ ง, ง่ายขึ้นฮนะ ในการที่จะชนะตัเองในครั้งต่อไปนะนั้นกิเลสนะไม่ว่าจะเป็นความโลภ ค, ความโกรธความหลงอะไรก็แล้วแต่นะ่ะมันก็เริ่มจากการที่ค่อยๆชนะมันนะในทีละขณะทีละครั้งที่มันแสดง น, นั่นการที่จะรักกิเลสเนะี่ยไม่ใช่ว่าจะไปกวาดล้างกิเลสเสียทีเดียวนะนะแต่เป็นการชน ะ, ะกิเลสในแต่ละครั้งที่มันแสดงในจิตใจของเราเนี่ยแหละนะ เราไม่รู้หรอกว่าแต่ละขนาดจิตที่ต่อไปข้างหน้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก่อนอาจจะเป็นความโกรธเกิดขึ้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้ทันก็ละความโกรธหรืออาจจะเป็นความสุขใจความพอใจความอยากเกิดขึ้นมาเราก็รู้ทันก็ละความอยากดังนั้นอย่าที่ครูบาอาจารย์เคยสอนนะบอกการจะระ ก, กิเลสเนี่ย ละที่ตัวไหนก่อนออก็ละตัวที่มันเกิดขึ้นก่อนนั่นแหละตัวอะไรเกิดขึ้นก่อนเราก็รู้ทันมันแล้วก็ลบมันมันก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้นะแล้วการภาวนานี่มันก็จะทำให้เราเห็นกิเลสเยอะเห็นความไม่พอใจเห็นความยากเห็นความลหลงหลายๆอย่างที่มันมีในใจนั่นแหละการที่เห็นมันเนี่ย มันดีน ะ, นะดีที่เห็นคล้ายๆเหมือนกับหมอพยาบาลเวลาเราตรวจคนไขน้คนที่ไม่สบายพอเราเห็นว่ามันมีเชื้อโรคอะไรเขาเป็นโรคอะไรเนี่ยมันก็เริ่มมันก็เริ่มพอใจแล้วเนาะเพราะว่าเราจะดูแล้วว่าเราจะรักษาเขาแบบไหนแต่ถ้าเรามีรู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรมีเชื้ออะไร เป็นสาเหตุทำให้เขาไม่สบายเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่แก้ไขไปตามอาการเฉยๆมันก็ยังไม่เกิดความยังก็ไม่สบายใจจริงๆว่าเราจะรักษาเขาได้หายขาดหรือเปล่านะจิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจที่กิเลสตัณหาเขาแสดงอาการเนี่ยถือว่าดีนะคือเขาโชว์เขาโชว์ว่าเขาเป็นโลกอะไรบ้างเขาโชว์ว่าเขามีอาการอะไรบ้างนะี่ แล้วก็ดูมันนะบางทีมันเหมือนมันคือการสำรอกสำรอกความเคยชินเก่าๆหรือว่าสำรอก อ, อุปนิสัยเดิมๆดิบๆด้านๆนะในจิตใจให้มันแสดงออกมานะบางทีก็อาจจะเป็นความคิดนะเรื่องราวอาดีตต่างๆนะเกิดขึ้นมากมายเนะี่ยมันก็ผุดมันก็โผล่ออกมาเนะี่ย มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะให้เรามองเป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่เกิดกับทุกคนนั่นแหละที่ปฏิบัติทำไปแล้วความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันมันโผล่ขึ้นมานะมันก็มันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ตัวนะว่าเราเก็บไว้ที่เราบันทึกไว้ในใจพอฝึกปฏิบัติทำไปมันก็ผุดขึ้นมาละ มันก็แทรกขึ้นมาละหลายคนก็อาจจะงุดหงิดไม่พอใจนะแต่ให้เราเห็นว่าเออมันก็เป็นเพียงแค่อารมณ์นึงเป็นเพียงแค่อาการหนึ่งนะเป็นเพียงแค่ความคิดหนึ่งที่มันแวบบขึ้นมามันแทรกขึ้นมาเฉยๆเนาะหรือบางทีก็มีเรื่องราวในอนาคตจะไม่เกิดขึ้นแต่ก็ปรุงแต่งนเป็นความสุขเป็นความพอใจขึ้นมานะก็ให้รู้ทันมันนะอ่ะ มันคิดได้อ่าแต่เราไม่ต่อยอดให้กับมันนะมันก็มันก็ด่วนไปมันก็ด้านไปนั้นความคิดอะไรต่างๆที่มันผุดขึ้นมาเราก็เพียงแค่รู้มันนะแต่ไม่สนองไม่ต่อยอดไม่ปรุงแต่งกับมันต่อพอเราไม่สนองมันไม่ปรุงแต่งมันต่อนะมันก็มันก็เหมือนคล้าย เหมือนกับต้นไม้ที่ไม่ได้น้ำไม่ได้อาหารนะมันก็จะเหี่ยวแห้งไปเหมือนกับเราอหละนะไม่ได้กินข้าววันหนึ่งน่ะก็เริ่มเหี่ยวละ <Yeah. S 1> เริ่มไม่มีแรงแล้วใช่ไหมอืมนั้นกีเรตก็เหมือนกันนะเราไม่ให้อาหารมันไม่ให้อาหารก็คือเราไม่สนองตามที่มันพอใจนั่นแหละนะมันก็คือมันจะค่อยๆเหี่ยวค่อยๆแห้งไปนะเหมือนอย่างที่ว่า จะดิบเนื้อใสของแต่ละคนเป็นแบบไหนมันยิ่งเป็นหนักเพราะว่าเราสนองมันน่แต่ถ้าเราค่อยๆลดละเลิกไม่สนองมันเนี่ยมันค่อยๆค่อยๆหมดกำลังลงไปค่อยๆเหี่ยวค่อยๆแห้งไปค่อยๆ่อไปน่ทางเดินอริยมรตมีองค์แปดก็เป็นเช่นนั้นนะก็คือทางสายกลางที่ไม่สนองนะ ไม่สนองความพอใจความไม่พอใจในทางภายัยในทางที่กิเลสเขาเป็นตัวบงการพอเราไม่สนองเขาแล้วเขาก็ค่อยๆหมดกับดานลงไปนี่แหละทางที่เราทําก็คือตรงนี้และนะก็คือทางที่ไม่หลงนั่นแหละนะพูดง่ายๆความคิดชอบความเห็นชอบความพูดจาชอบสิ่งต่างๆชอบต่างๆนั่นแหละ ก็คือการที่ไม่สนองกเกเรตันหาเราก็ทำตอนนี้คือการฝึกภาวนาทั้งนั้นเราอาจจะจำภาษาบาลีจำหลักธรรมอะไรต่างๆไม่ได้นะก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญนะเรื่องสำคัญคือการกลับมาดูตัวเองให้ทันก็พ อ, อกลับมาดูความเป็นไปของกายให้ทันกลับมาดูความรู้สึกความนึกคิดที่เกิดขึ้นในใจให้ทันเนะี่ย นะีสสำคัญที่สุดนะพราะพุทธเจ้าท่านก็ค้นพบธรรมะก็ค้นพบจากสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจของท่านนั่นแหละนะที่เป็นตัวสอนธรรมะ <c oughs> พวกเราเองก็เหมือนกันนะนะีทางสุดตรงหรือทางสายกลางเนี่ยก็มีในกายในใจของเราอยู่แล้วนะลองสังเกตดูถ้าทางเส้นไหน มันทำแล้วมันทุกทำแล้วมันยิ่งติดไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าไปทางสุดตรงแล้วนะแต่ถ้าทางเส้นไหนทำแล้วมันยิ่งเกิดความเบาเกิดความสบายเกิดความปลอดโปร่งล่งใจหรือทำแล้วมันกีเดตตันหามันก็มันก็ค่อยๆลดกำลังลงไปอันนั่นแหละคือทางสายกลางที่เราเดินถือว่าถูกทางแล้วนะ <c oughs> แต่บางขณะอืมที่เรากําลังภาวนาเนอะบางทีมันก็หลอกนะมันก็ดูเหมือนจะหลอกว่าไอ้ทางที่เรากระทําเนี่ยมันออกจากทุกข์จริงเหรอทําไมมันทุกข์หนักขึ้นไปนะแต่ทางที่คนส่วนใหญ่ก็ทําเนี่ยทําไมมันสบายเหลือเกินนะบางทีมันจะหลอกได้ง่ายนะแต่มันเหมือนคล้ายๆเหมือนกระบวนการรักษาตัวนะขณะที่รักษาตัวมันเหมือน ยากับโรคเนี่ยมันต่อสู้กันนะมันเกิดการบีบคั้นนะพอเราไม่สนองกิเลตไม่สนองตัณหาน่ะมันก็เลยเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนว่าเราทุกข์มากเหมือนมันคิดแล้วเราไม่สนองความคิดมันอยากแล้วเราไม่สนองความอยากเนี่ยมันดูเหมือนทุกข์ในแรกๆนะแต่จริงพอเรารู้ทันมันจริงๆนะโอ้มันมาหลอกแล้วเนาะพอมันรู้ว่ามันมาหลอกเนี่ย มันวางได้ง่ายๆเลยนะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกเรายังไม่รู้ทันมันจริงๆหรือว่าใจเรายังไม่เป็นกลางจริงๆแหละมันเลยรู้สึกทุกข์แต่ถ้ามองมันดีๆนะใจเป็นกลางนะวางอุบเบกขาไวนะ้น่ะก็คือจะพึ่งด่วนไปเชื่อจะดุ้งจะพึ่งด่วนไปปฏิเสธเขานะดูได้ใจเป็นกลางไปก่อน่ะ มันก็จะเห็นว่ามันมันพลิกไปได้ง่ายนิดเดียวนะเหมือนกับเหมันมีคนเอาของมาไว้ในฝ่ามือของเรานะเราไม่รีบกรรมนะถ้าของนั้นเป็นของมีคมเป็นของอะไรถ้าเราไปรีบกรรมเนี่ยมันก็เจ็บนะเราดูมันได้ดีก่อนอเห็นแนะ้วพลิกลงมันก็ตกลงไปเลยนิดเดียวดังนั้นเวลาปฏิบัติอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาอย่าเพิ่งรีบด่วนรับ อย่าเพิ่งรีบต่วนปฏิเสธมันนะเออรู้สึกน่ะเอาความรู้สึกนี่นแะมาเป็นตัวเป็นเป็นตัวสัมผัสมันก่อนนะรู้สึกตัวเนี่ยพอรู้สึกไปเรื่อยเนี่ยมันจะรู้เองว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นมันก็วางลงไปเลยมันก็พลิกลงไปเลยนะถ้าเป็นเรื่องจำเป็นมันก็จะรู้เองแหละพ้อมันปวดมันเมื่อยพอจำควนั้นเนาะ เออจำเป็นต้องเปลี่ยนละมันก็จะดูเองละต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนอปวดหนักปวดเบามันก็รู้ตัวเออมันจําเป็นนะเนาะมาไปเข้าห้องน้ําแล้วเนี่คือมันถ้าเอาความรู้สึกตัวเป็นตัวเข้าไปตรวจสอบความเป็นไปของกายของใจนะมันก็จะไม่ผิดพลาดอหรือถ้ามันยังไม่ชํานาญมากนะักมันก็มีผิดพลาดบ้างแหละแต่ก็ไม่เป็นไรนะ หรือเป็นการเรียนรู้นะมันเราเรียนหนังสือมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องตอบโจทย์ได้ถูกทุกข้อนะทำคะแนนได้ร้อยปรเ็นทั้งหมดมันก็ไม่ใช่นะแต่ถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยมันก็ความผิดพลาดมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยอันนั่นแหละเนี่ยคือทางสายกลางคือทางเนะี่ยออกจากความทุกข์เนาะอันนี้นแหละคือพระพุทธเจ้าท่านก็ คนพบทางเส้นนี้แล้วก็บอกทางเส้นนี้ให้กับเรานั้นการที่พระพุทธเจ้าท่านมาประสูติบนโลกนี้ น, ะน่ะมันก็คือมาช่วยพวกเราเนี่ยแหละนะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ช่วยให้เราเดินทางที่มันทําให้ชีวิตมันมีความสุขที่แท้จริงมากขึ้น น, นั้นถ้าเราเห็นคุณของการที่ เรามีความถือว่าเป็นโอกาสดีหรือว่าโชคดีก็ได้นะโชคในที่นี้ไม่ใช่ว่าสิ่งศักดิ์สิิ์บรรดาล น, นะแต่โชคก็คือโอกาสดนะีโอกาสดีที่เราได้เกิดในในยุคสมัยที่มีพระพุทธเจ้าเนะี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีมากที่พระธรรมคำ ส, ำสอนหรือว่าพระธรรมความจริงเนะี่ยมันยังมีผู้บอกผู้สอนต่อ อแล้วเราก็สามารถที่จะเดินทางตรงเนี้ยได้ง่ายขึ้นคล้ายคลเหมือนกับทางเดินในป่าน่ะทางเดินป่าเดินเขาอาจจะเป็นทางเส้นเล็กๆนะอาจจะดูเป็นทางที่อาจจะไม่ชัดเจนนะักแต่อย่างน้นอยก็ยังพอมีทางให้เราได้แกะรอยบ้างแต่ถ้าทางที่แบบไม่มีคนเคยเดินไม่มีสัตว์เดินผ่านเลยบางที เราจะไปฐานทางในแต่ละก้าวนะทีละเมตรสองเมตรเนี่ยมันก็ยากนะเหมือนป่าทึบๆเนี่ยเราจะฐานทางทีละเส้นที่ทีละก้าวนี้ก็ยากก็เหนื่อยมากแต่ทางที่เราเดินตามพระพุทธเจ้าเนะี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าเดินนําไปแล้วสงสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เดินนําไปแล้วนะพระสูตรพระวินัยต่างๆก็ก็บอกไว้ดีแล้วเนะี่ย เราก็เพียงแค่เดินตามนะแต่มันอาจจะไม่ถึงกับราบเรียบนะไปทั้งหมดหรอกนะแต่ก็พอให้เราได้แกะรอยเดินตามได้เนะ น, นี่ยคือทางความใส่การก็คือทางที่พาเราออกจากความทุกข์นี่แหละนะเราก็พยายามฝึกหัดปฏิบัติกันโดยเฉพาะวันนี้นะักเป็นวันวิสาขะบูชานะเป็นวันที่เรามาะระลึกถึงพระพุทธเจ้านะ ที่ท่านทาประสูตทรทาตัดสรุแล้วก็ประนิษพานในในวันนี้นะแต่จริงก็อาจจะเป็นวันที่เราพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกันนะถ้าเราทำจริงๆนะแต่อย่าไปทำด้วยความอยากนะแต่ก่อนก็มาจำได้แต่ตอนตอนบวชจะไม่ได้พรรษาเลยนะพรรวิสาขาดีโอเราตั้งใจมากเหมือน พ, พระพุทธเจ้าท่านมรรลุธรรวันนี้นะ เราก็อยากจะบรรลุธรรมวันนี้เหมือนมุะเจ้าก็มีนะ <c oughs> ก็ตั้งใจปฏิบัตินะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะแต่มันเป็นความตั้งใจแบบมันอยากจะเอานะ <c oughs> มันอยากจะบรรลุธรรมมันก็ดีที่ได้ทํำนะแต่มันมันก็ไม่ดีที่ทําด้วยความอยากมันก็มันทําแบบอดทนทําแบบไม่ได้มีความสุขนะ มันทําเหมือนคิดว่าอยากจะรีบทําให้มันเสร็จๆนะเหมือนคล้ายๆว่าถ้าบรรลุทําแล้วก็จะได้ไม่ต้องทําอะไรเลยนะมันเหมือนคล้ายๆมันทําด้วยความไม่ได้ชอบจริงๆนะแต่ประมาว่าถ้าคนที่ชอบการภาวนาจริงๆเนะี่ยมันไม่ได้คิดว่ามันจะต้องรีบทําให้มันเสร็จเพื่อว่าเราจะได้ไม่ต้องทํานะแต่มันเป็นความสุขที่เราได้ทํำนะ ทำอะไรก็คือปฏิบัติธรรมนี่แหละถ้าเราดูากิจวัตรของพระพุทธเจ้าหรือถ้าเราไม่เห็นก็อาจจะดูของครูบาอาจารย์ที่เรารู้จักที่เราเห็นก็ได้นะท่านเข้าใจธรรมะแล้วท่านก็ยังมีความพอใจในการประพฤติทธรรมอยู่นะไม่ใช่ว่า ท่านรีบทำให้มันจบจะได้ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ไม่ใช่นะท่านก็ยังมีความพอใจในการเนินทาสมาธิในการเจริญสติในการพูดในการสอนเนี่มีอยู่มันเป็นความพอใจที่มันทำได้ตลอดชีวิตเลยนะอันนี้ก็เหมือนกันการภาวนาก็เหมือนกันนะไม่ต้องไปรีบว่ารีบทำให้มันจบจะได้ไม่ต้องทำนะ หรือว่าจะได้ไปทำอย่างอื่นแต่จริงถ้าเราวางใจจริงๆนะเราทำไปเรื่อยๆนะทำทั้งวันทำทั้งคืนนะเป็นความสุขใจเป็นความพอใจทำทั้งวันนี้ทำทั้งวันอื่นนะั่นแหละนะไม่ว่าจะทำเพื่อละกิเลสหรือว่าธ่นมนุษย์ทำแล้วก็ทำเพื่อมันเป็นการจะเดินะ จะเดินในธรรมหรือว่าเป็นการเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้ทําตามมันก็เป็นความสุขใจนะไม่ใช่เป็นความฝืนใจใ น, ในการที่ต้องไปทํเนาะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจา้าแล้วก็ครูบาอาจารย์ได้ได้บอกต่อนะก็ให้พวกเราได้ลองทําดูนะแม้วันนี้เป็นวันสำคัญแต่เราก็ทาไม่ได้ทาด้วยความอยากนะ ทำแบบด้วยความพอใจได้ความสุขใจนะแล้วก็ด้วยการรู้เท่าทันใจด้วยว่าไอสิ่งต่างๆที่มันคิดขึ้นมาจะด้วยเหตุด้วยผลด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันมีอะไรเจือเข้าไปข้างในนะแต่ไม่ใช่ไปการเอาความคิดไปแก้ความคิดนะแต่เอาความรู้สึกตัวเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูนะดูแล้วมันก็จะเห็นเองแหละนะถ้ามันเป็นกิเลสนะ มันจะทนทานได้ไม่นานหลักมันก็จะแสดงให้เห็นว่ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นมามันมีความบีบคั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยเออแสดงว่ากิเลสมันแสดงอาการนล้วนะเออก็ละมือเสียเอ่ก็เลิกมันเสียเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมดกําลังลงไปอพอละได้ก็จะเกิดความเบาใจเกิดความสุขใจขึ้นมาแทนที่นั่นแหละเนี่ก็ถูกทางละน่ะพอเรารู้สึกตัวมันก็เออ มันก็วางได้แล้วเนาะนี่อันมันก็เกิดความสุขใจขึ้นมาแทนที่นี่แหละคือการภาวนาเนาะวันนี้ก็ให้มีความตั้งใจในการทำความเพียรนะต่อเ น, นื่อนงะทั้งวันทั้งคืนนะเดี๋ยวเราก็คงปฏิบัติทำถเถวๆนี้ละก่อนเนะไม่รู้อาหารจะมาเวลาไหนนะก็ เดี๋ยวคอฉันอาหารที่ตรงบริเวณนี้นะแต่ใครจะปฏิบัติธรรมตรงในศาลาหรือว่าออกไปเดินข้างนอกบ้างก็ได้นะ เ, เดินใต่ใครอยากเดินเปลี่ยนทิศบทกันย่าช้าเดินชมอบริเวณเอสถ า, านที่ปฏิบัติธรรมนี้ก็ได้นะเดินมีสติไปนะ ตอนเช้าแดดยังไม่ร้อนนะแต่ตอนกลางวันแดดมันร้อนมากแดีจะไม่อยากเดินนีก็เดินเหมือนนับอดุลนั่นนะก็ได้นแต่ก็อย่าไปส่งจิตออกนอกมากนะนีะส่สงจิตออกนอกหมายถึงว่าคุยนั่นคุยนี่หรือว่ามองไปแล้วก็จินตนาการเสริมไปกับเขาเนาะอ่าเจนเขาก่อสร้างผู้ฟีคลิกนิดคลิเคาะดู โครงสร้างดูอะไรมันอะไรแนะบนี้หรือเห็นต้นไม้ก็ไปคอยสอดส่องดูอืใบเป็นแบบไหนออกผลเป็นแบบไหนเราไม่ได้ไปหาความรู้แบบนั้นนะเดินไปดูดูความรู้สึกในการเดินหรือดูสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเป็นักเนะี่ยก็ได้นะน่าจะประมาณเกือบเกือบเจ็ดโมงครึ่งหรือมั้มงเขาไป กเจ็ดโมงนะอาหารให้ให้เสร็จ